ในรัฐวินิจสูตเนี่ยนะเป็นพระสูตรที่ขึ้นต้นด้วยพระพุทธเจ้าตรัสถามถึงพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะหรือพระภิกษุรูปที่เป็นรูปพิเศษเนี่ยนะคำว่าเป็นรูปพิเศษก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตัวเองแล้วก็ยังแนะนําบอกกล่าวสั่งสอนโอวาทให้ผู้อื่นประพฤติดีและปฏิบัติชอบซึ่งพระปุณณามันตานีบทเนี่ยเป็น เป็นผู้ที่มีความสามารถเช่นนั้นท่านะพระปุณมันตานีบุตรนั้นท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญท่านบรรลุมรรคผลแล้วก็ยังสามารถที่ช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลด้วยเนี่ยนะก็เป็นเป็นพระพิสุรูปที่อยู่ในฝักฝ่ายที่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเกื้อกูลต่อพระองค์เองและผู้อื่นมันบุคคลที่พระพุทธเจ้าพูดถึง ยกย่องสรรเสริญคือบุคคลผู้มีอัธยาศัยเกื้อกูลตนเองและบุคคลอื่นทบทวนในข้อ292หน้า347ว่าพระพุทธเจ้าตรัธถามพิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะที่มาจากเมืองกบิลพัทว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในชาติตุภูมิคือในแผ่นดินเกิดของพระองค์เองเหน น, เน่แปลว่าในแผ่นดินเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ย ภิกษุรูปไหนหนอที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรันทร์ชาวชาติภูมิคือชาวที่เกิดในแผ่นดินของพระองค์เนี่ยยกย่องอย่างนี้ว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในความเป็นผู้มักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศ น, นะขณะเดียวกันพระภิกษุรูปนั้นก็ยัง โอวาทแนะนําบอกสอนชี้แนะให้ผู้อื่นมีความมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปราลบความเพียรให้เพื่อนพรหมจา ร, รูปอื่นเนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะเป็นผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะอ่าเป็นผู้แนะนําให้เข้าใจเป็นผู้ที่ชักชวนเพื่อนพรหมจาร์ทั้งหลาย ให้เห็นแจ้งสมาทานให้อาหารให้ร่าเริงในการปฏิบัติอยู่ในกระถาวัตถุ10ประการนะซึ่งพระพิสูจนทั้งหลายก็ตอบว่าท่านพระปุณณมันตานีบุตรนี่แหละเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นต้นด้วยตัวเองแล้วก็ยังแนะนำโอวาทบอกสอนแก่พระพิสูุรูปอื่นด้วยนั้นในอัตถกถาจึงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกระถาวัตถุ10ประการนนะ คถาวัตถุสิบประการว่าด้วยเรื่องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเป็นต้นเนี่ยนะในอัตถกาถาหน้าสา2สองเนี่ยนะซึ่งท่านพระปุณะะปณะมันตานีบุทท่านพระปุณณะมันตานีบุทนั้นเชื่อว่าเป็นพระอาจารย์ของพระพิสุกลุ่มห้าร้อรูปนั้น น, นะนะ ท่านบอกว่าพระปุณณมันตานีบุทนั้นเป็นผู้ที่ปรารถนาน้อยอัภิโฌอภิช ช, ชะหรืออัภิชโฌเนี่ยแปลว่าผู้มีความปรารถนาน้อยอันนี้เขาเรียกว่าพูดแบบแบบอะไรนะพูดแบบพูดเหมือนมีส่วนเหลือแต่ความหมายจริงๆไม่มีส่วนเหลือคำพูดเหมือนกับว่ายังปรารถนาแต่ปรารถนาเอาเล็กๆน้อยๆขอขอแบ่งนิดๆหน่อยๆ อ, อะไรเหมือนฟังแล้วเหมือนว่า พระปุณะยังขอแบ่งนิดๆหน่อยๆอยู่แต่จริงๆแล้วมีความหมายว่าพระปุณะท่านหมดตัณหาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ที่หมดตัณหาแล้วเนี่ยนะอภิชฌเนี่ยแปลว่าผู้หมดตัณหาผู้สิ้นตัณหาหรือผู้ปราศจาก ต, ตัณหาเพราะท่านเป็นผู้ที่ไม่เหลือความปรารถนาด้วยอำนาจตัณหาแม้แต่เล็กน้อยเพราะท่านเป็นพระอรหันตตขีนาศเป็นผู้สิ้นกาาสวะเนี่ยนะ ความปรารถนาด้วยกามาสวะทิฐาสวัพวาสวะอวิชชาสวะไม่เหลือแล้วเพราะท่านตัดกามาสวะหรือตัดตัณหาด้วยอรหั ต, ตมรักอย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่มีส่วนเหลือแต่คำพูดบอกว่าเป็นผู้มรักน้อยมรักน้อยแปลว่ายังชอบน้อยๆ อ, อยู่นะไม่ใช่ว่าชอบเยอะไม่ใช่ชอบใหญ่ชอบโตแต่ว่าแต่ก็ถือว่ายังชอบใช่เหมือนว่าชอบเล็กชอบน้อยแต่จริงๆแล้วท่านไม่มีความ ชอบด้วยอำนาจตันหาเลยเพราะท่านเป็นผู้ที่สิ้นตันหาโดยประการทั้งปวงทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการมักน้อยเนี่ยนะเราต้องต้องมาแบ่งเป็นรายละเอียดแบ่งเป็นรายละเอียดอยู่สี่นัยยะด้วยกันแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มๆเลยนะกลุ่มผู้มีความปรารถนาะไม่มีขอบเขตนี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองผู้มีความปรารถนาลามกหรือมีใจปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปกลุ่มที่สามกลุ่มมักมาก ประเภทที่สี่คือพวกมักน้อยนะถ้าเราจะเข้าใจคนมักน้อยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าไอ้คนที่ต้องการแบบไม่มีขอบเขตเป็นยังไงคนที่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอย่างไรคนมกักมากเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วเราจะรู้จักว่าคนมักน้อยเป็นอย่างไรเพราะบางทีคนมกักมากแต่อยู่ในคราบของคน มากน้อยก็มีเนี่ยนะแปลว่าบรรจุพันธุ์น่ยนะต้องศึกษารายละเอียดไม่ใช่ดูแต่ข้างกล่องอย่างเดียวเพราะั้นฉันใดผู้ที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติก็ฉะ น, นั้นจะต้องพยายามเข้าใจว่าเอ้คนที่ต้องการแบบไม่มีชนิดผู้ที่ต้องการชนิดที่ไร้ขอบเขตเนี่ยนะมันเป็นยังไงอธิบายว่าผู้ไม่อิ่มในลาบของตนขณะเดียวกันก็ยังมุ่งลาบของผู้อื่นนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความปรารถนาไม่มีขอบเขตแปลว่าตัณหาไม่มีเขตจํากัด เช่นผู้ที่ประกอบด้วยความปรารถนาที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยนะมองเห็นขนมสุกที่อยู่ในภาชนะเดียวกันที่ตกลงในบาทของตนก็เหมือนว่ามันยังไม่สุกเป็นของเล็กน้อยของอย่างเดียวกันนั่นแหละที่เอาวางในบาทของผู้อื่นมองเห็นว่าเป็นเหมือนกับของสุกดีและก็เป็นของมากเหมือนอะไรนะเหมือนกับว่าไอ้สตังเนี่ยนะเขาให้สตังมาคนละสิ บ, บาทหรือให้คนละยี่ส บ, บาท เพียงแต่ว่าอาจจะต่างการตรงแบงค์เก่ากับแบงค์ใหม่เท่านั้นแหะแค่นั้นแหละริสยาและไอคนนั้นทําไมได้แบงค์ใหม่เราทําไมมันได้แบงค์เก่าๆบางทีมันก็แบงค์เท่ากันเหมือนกันทุกอย่างหมดเอ๊ะทำไมคนอื่นมันดีกว่าของเราคือมองเห็นของคนอื่นดีหมดมองเห็นว่าของตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นไปหมดทั้งๆ ท, งที่ทั้งคุณภาพราคาเป็นต้นไม่มีความแตกต่างกันเลยเนี่ยนะอย่างคนอื่นเขาพูดกับเราก็ดีพูดกับคนอื่นก็ดีแต่ทําไมเอ๊ะเขาพูดกับเราเหมือนว่า คำที่เขาพูดกับเราไม่เพราะเลยที่พูดกับอีกคนอื่นทําไมเพราะจังเลยพวกนี้เรียกว่าปรารถนาแบบไรขอบเขตเนี่ยนะตัวเองได้ผ้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยมองเห็นว่าผ้าของตัวเองเนี่ยทําไมมันไม่ดีเท่ากับผ้าของคนอื่นอาหารในในภาชนะที่ตัวเองทานอยู่เนี่ยทําไมมันตกต่ากว่าของคนอื่นเหลือเกินเนี่ยนะบ้านของตัวเองเนี่ยดีไม่ดีอาจจะดีกว่าของคนอื่นแต่มองคนอื่นแล้วดีกว่าของตัวอยาชนิดเดียวกันนี่แหละหรือ ได้บริโภคยาชนิดเดียวกันอะไรเดียวกันแต่กขาบอกเอ๊คนอื่นทําไมดีกว่าเราของเราทําไมต่ําต้อยเหลือเกินรู้สึกว่าเป็นคนที่น้อยเนื้อต่ําใจตัวเองอยู่ตลอดเวลามองเค้นคนอื่นเด่นเหลือตัวทั้งๆ ท, ที่อาจจะพอกันหรือตัวอาจจะดีกว่าแต่เหมือนกับว่าตนเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นทุกแง่ทุกมุมโดยนัยต่างๆคนพวกนี้เรียกว่าต้องการชนิดที่เรียกว่าไร้ขอบเขตเนี่ยนะ ขนาดมองเห็นคนที่พอกันตัวเองก็ยังแบบรู้สึกว่าด้อยเหลือเกินไอ้ที่จริงรู้สึกว่าด้อยน่าจะเป็นดูเหมือนดีใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่เนี่ยนะอากุศลสายโทสะเป็นลักษณะของริษย า, านะสิ่งเดียวกันเนี่ยไม่ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยมีวันคนที่ปรารถนาไม่มีขอบเขตเนี่ยคือบุคคลที่ริษยานั่นเองเนี่ยนะบวกกับโทสะนะ่ะริษยาเกิดร่วมกับโทสะไม่มีความสุขที่คนอื่น ดีเท่าตัวหรือดีล้ํากว่าตัวเด่นเกินตัวเพราะฉะนั้นมันต้องด้อยกว่าเราโดยประการทั้งปวงจึงจะมีความสุขบุคคลชนิดนี้เป็นอย่างนี้รับว่าเรียกว่าพวกปรารถนาแบบไม่มีขอบเขตอันหนึ่งก็คือพวกคนตรนีทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะลักษณะของนิสัยตรนีมองเห็นคนอินคนอื่นดีกว่าตนแม้เพียงเล็กน้อยหรือเสมอกว่าตนตัวเองก็เดือดร้อนแล้วเนี่ยนะพวกนี้เจริญมุ ธ, ธิตาไม่เป็นเนี่ยนะเห็นคนอื่น เห็นคนอื่นบางทีเนี่ยอมองเห็นคนอื่นทุกข์ระกรรมลำบากแล้วตัวเองมีความสุขบุคคลชนิดปรารถนาไม่มีขอบเขตและพื้นฐานจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนชนิดนั้นเนี่ยนะก็ต้องแต่ที่จริงพวกนี้มันไม่ใช่เป็นตัวบุคคล น, นะเป็นตัวอกุศลที่อยู่ในภายในเนี่ยที่จะต้องขจัดแล้วก็ขัดเกลาออกไปเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีความคิดแบบนี้บ่อยๆ อ, อย่างเช่นพี่กับ น, น้องเนี่ยนะ น้องเห็นว่าพี่ทำไมพี่ได้ดีกว่าน้องอยู่ตลอดเวลาทำไมน้องเนี่ยด้อยเหลือเกินหรือน้องทำไมคิดว่าพี่ทำไมคิดว่าน้องเนี่ยพ่อแม่รักมากกับเราทำไมพ่อแม่ไม่ค่อยรักเราเลยรักแต่น้องหรือคนที่เป็นน้องคิดอย่างนี้ว่าพ่อแม่รักแต่พี่ไม่มีรักตัวเองเลยเนี่ยนะโอถ้าอย่างนี้จะเป็นยังไงทุกขนาดไหนใช่ไหมแล้วถ้าทุกแบบนี้บ่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นพี่กับน้องจะมีเมตตาต่อกันไหมไม่มี มีเด็กอยู่คนหนึ่งมันเกิดมามันมันได้สยาเป็นตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลยมันมันคลอดออกมาใช่มันก็โตขึ้นมาหน่อยมันต้องคอยดูไม่ค่อยชอบเลยที่แม่จะมีน้องคนใหม่เนี่ยนะพอแม่มีน้องปั๊บไม่ชอบเลยมันเรียกแม่แบบหยาบคายเลยนะเพราะจริงๆมันกำกียดน้องที่อยู่ในท้องเนี่ยนะบอกว่าทาไมอะ่ะเพราะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยลดความสําคัญลงไปเมื่อมีน้อง มันเอเด็กคนนี้มันจะริษยาน้องมากจะรําคาญน้องมากเห็นแมแ่หรือสมมติว่ามีพ่อแบบอะไรนะไปพูดกับ น, น้องเนี่ยตัวเองก็ไม่มีความสุขแล้วงอนน้อยใจเนี่ยนะคือเป็นคนลักษณะนั้นเลยถามว่าถ้าเป็นบ่อยๆพี่กับน้องคนนี้จะสามัคคีกันไหมครอบครัวจะเป็นยังไงชีวิตพี่กับชีวิตน้องพี่ก็ต้องแกล้งน้องตื็นประจําใช่ไหม ย, ยิ่งพี่แกล้งน้องเท่าใดพ่อแม่ก็จะเห็นใจน้องมากเท่านั้นตัวเองเหมือนกับยิ่งแบบเสียเสียอะไรนะเสีย ความเด่นเสียศักดิ์ศรีเสียรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในที่สุดพี่กับ น, น้องก็ขาดเมตตาต่อกันฉันใดก็ดีเนี่ยในทุกสังคมแม้แต่กระทั่งเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยนะเติบโตจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายอายุมากขึ้นถ้ามีความคิดแบบนี้ล่ะจะเรกวพวกปรารถนาไม่มีขอบเขตเนี่ยนะพวกปรารถนาที่ไม่มีขอบเขตบุคคลเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความทุกข์มากทั้งปัจจุบันและ ต่อต่อไปความคิดอันนั้นสร้างความเจ็บปวดให้แก่บุคคล น, นั้นเนี่ยนะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งทางจิตแพทย์ก็เรียกว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะนะทางความคิดนะนะเป็นโรคใจนะเป็นโรคบาปอกุศลธรรมเป็นโรคเกิดความต้องการแบบไม่มีขอบเขตจํากัดเห็นคนอื่นเสมอกระตนไม่ได้ยิ่งกว่าตนไม่ได้เพราะตัวเองต้องการเป็นคนขอเป็นคนพิเศษเพียงผู้เดียวเนี่ยนะคนอื่นอย่ามายุ่งเลยอย่ามาอย่ามาเสนอเลยอย่ามาอะไรเลยเนี่ยนะ อันนี้ถือว่าเป็นอกุศลธรรมที่ต้องละเนี่ยนะอย่างที่สองเขาเรียกว่าคนที่มีความปรารถนาลามกลามกตัวนี้ก็คือด้วยจิตที่เป็นบาปมีใจปรารถนามีบาปแอบแฝงอยู่ภายในคือบุคคลใดบุคคลที่อวดอ้างคุณธรรมที่ไม่มีอยู่จริงยังไงประเภทอย่างคือพวกที่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปมีอยู่สองอย่าง อย่างที่หนึ่งพวกที่อวดอ้างศรก พ, พุณหรือคุณธรรมที่ไม่มีอยู่จริงในตัวอย่างที่สองพวกไม่รู้จักประมาณในการรับข้อแรกเช่นผู้ที่มีความปรารถนาอวดอ้างคุณธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนตัวเองเนี่ยไม่ได้เลื่อมใสไม่มีศรัทธาในพระธรรตไตรเลยแต่ภาพที่แสดงออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรยอย่างมั่นคงถ้าเป็นแบบภาษารูปธรรมนะ อ, อย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบบางคนเลยแต่แสดงกิริยาเหมือนว่าเขาเนี่ยชอบคนนั้นมาก น, นะเหมือนทําทุกอย่างเพื่อคนนั้นแต่ที่ไหนได้มันเป็นเรียกว่าเลขกลของคนโกงคาว่างัน้นนะเลขกลของคนโกงอย่างที่หนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดนะนะเขตั้งชื่อก็ตั้งชื่อดีนะคือฟังแล้วเข้าใจเลยเขาว่าโคตรโกงมาหาโกงแต่เสมือนหนึ่งไม่โกงคือหมายคำว่าวิธีชอ่อชนที่เยบ็บยนเหมือนไม่มีความรู้สึกว่า ช่อชนอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยนะเราเป็นการหลอกลวงชนิดที่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้รับไม่มีการหลอกลวงเนี่ยนะหลอกลวงคนจนค น, คนอื่นเนี่ยมาปูนบําเหน็จบูชาจนโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองกําลังถูกหลอกลวงก็เลยก็จะลักษณะเรียกว่าคนที่ถูกปล้นโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกปล้นเนี่ยนะชันใดผู้ที่ไม่มีศรัทธาแล้วแอบอ้างบอกผู้อื่นว่าตัวเองเป็นคนที่มี ศรัทธาตัวเองเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วก็แอบอ้างตัวว่าเป็นผู้มีศีลไม่มีฮิริโอตปะแสดงตัวออกมาว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีฮิริโอตปะไม่มีจาคะไม่มีปัญญาเป็นต้นไม่มีอริยคุณอะไรเลยไม่มีคุณธรรมเหล่าใดเลยแล้วเปิดเผยตัวเองในฐานะผู้ทรง คนเหล่านั้นเหล่านั้นโดยที่สุดไม่มีมรรคผลนิพพานแต่แสดงกิริยาอาการเหมือนคนที่กำบรรลุอริยมรรคแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีฌานแต่แสดงตัวว่าเป็นผู้มีฌานเป็นต้นบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้ที่มีใจปรารถนาอันเป็นบาปหรือมหาโจรดีๆนี่แหละโจรปล้นอะไรก็แล้วปล้ น, ป ล, นปล้นอะไรนะปล้นแบบคนอื่นไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่างั้นอันนะว่าบุคคลนั้นเนี่ยเขาเข้เขากำลังถูกปล้นเพราะอะไรไปเทิดทูลให้คนที่ คือเราคิดไว้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาเป็นไว้อีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าถูกหลอกลวงใช่ก็แปลว่าถูกห ล, ล, ล, ลอกลวงนั่นเองเหมือนกับเราไปซื้อของเนี่ยเราต้องการข อ, ของอีกอย่างหนึ่งแต่คนขายเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ซึ่งสมความประสงค์ที่เราต้องการพอเอามาใช้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็แปลว่าเราถูกตอกถูกหลอ ก, ถ, ก, ลอกถูกต้มไปเรียบร้อยแล้วฉันใดผู้ที่ไม่มีศรัทธาประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีศรั ia, ทธาเพื่อให้คนเชื่อว่าคนนี้มีศรัทธา เป็นผู้ไม่มีศีลโฆษณาตัวเองว่าเป็นผู้มีศีลคนที่ฟุ้งซ่านพยายามโฆษณาตัวเองว่ามีสมาธิคนโง่เขลาเบาปัญญาประกาศเชิญชวนว่าตัวเป็นผู้มีปัญญาก็ดำรงอยู่ในฐานะคนหลอกลวงคนบาปฉันนั้นเรียกว่าคนบาปคนที่มีความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปเนี่ยนะนะอันนีอ้อย่างที่หนึ่ง